เรื่องภิกษุณีชาวกรุงจำปาหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุณีผู้เป็นอันเตวาินีของภิกษุณีทุลนันทาไปยังตระกูลอุปถาของภิกษุณีทุลนันทาในกรุงจำปาบอกคนในตระกูลว่าภิกษุณีทุลนันทาประสงค์จะดื่มยาคูปรุงด้วยของสามอย่างเมื่อเขาหงหาให้แล้วเธอกลับนําไปฉันเสียเองภิกษุณีทุลนันทารู้เข้า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 4ีสิ